มีคุณค่ามากน้อยอย่างไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้า ม, มาสกรปรกด้วยทําไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอมีเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลํำดับเหตุผลอันใดมีฝื้นจิตฝืนใจเข้าสู่เหตเุเข้าดําเนินไปตามนั้นทําไมมันฝืน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 แล้ว เ, เกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนา น, านะั่น15นาที10นาที15นาทีแค่นะล้มแทบตายเวลาที่เดสเอาไปสลุงทั้งวันทั้งคนืนยังสนุกกับมันไปได้เห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาด น, นั้นนะ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 เช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่หัวาตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายดให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบแถนเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านาวัน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 เป็นกติสำคัญห้าฝังมากซึ้งฝังแล้วนี่มพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิตพิจารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไง น, นี้เราเห็นตรงคําว่าเห็นต ร, ร, รงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาทเช็ดบาตลอดแล้ ว, ล ว, ลวท่านเอาบาท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 แต่ครวตามไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขือ่อเฉยเขานี้มันนิมนต์มาข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขือ่อเลยปีนขึ้นไปบนขือ่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่ขึ้นมาทำไมนิมนต์ร้องนิมนต์ลงโดดลงไปเลย น, รรรรนั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตงังคิดเพิน